แต่ละวิธีนี้พ่อครูคิดขึ้นมายังไงครับผมคือคือไม่พ่อครู25ปีไม่ได้ใช้ความคิดเลยเนาะเอาเปนว่าประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก3ามชั่วโมงนั้นครับที่ว่าสามชั่วโมงคําว่าเขาเรียกว่าบรรลุธรรมครับจริงๆแล้วบรรลุธรรมเราบรรลุทุกวันเราปวดท้องเราเข้าห้องน้ํำเราก็บรรลุระดับหนึ่งเนาะบรรลุทีละเรื่องแต่ไอ้สชั่วโมงนั้นน่ะเริ่มจากพ่อครูใช้เวลาสั้นๆบอกว่าเออเราเอานิสัยที่ไม่ดีของเราก็คือว่าเราคิดทุกเรื่อง ที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นครับนะตอนนั้นก่อนเช้าเราไปบริหารคอมพิวเตอร์มาตอนเย็นเราก็ดูแลร้านอาหารนะทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วก็คืนนั้นทําอะไรบ้าๆหน่อยหนึ่งเพราะมันเจอทางตันแล้วว่าถ้าชีวิตทําเรื่องเก่าๆ ซ, ซ, ซ, ซ, ซ้าๆซ้ำๆนี่มันน่าเบื่อนะครูก็เลยบังเอิญในร้านอาหารเราแต่งเป็นแบบเรือนไทยครับแล้วก็มีแท่นพระพุทธรูปอยู่พครูก็ลงไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรื่องผุดเรื่องพ้นมีจริงแล้วเนี่พร้อมแล้วะถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยต้องช่วยให้พ้นทุกข์ครับคือตอนนั้นอ่ะคือมันเเจอทางตันไม่เคยปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเคยเจอพระรูปหนึ่งเข้าไปจากเมืองไทยเขาไปสอนในกลุ่มน้องชายพราะครูไปถามว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรท่านบอกว่าดวงตาเห็นธรรมพราะครูไม่รู้หรอกดวงตามันเห็นธรรมรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนะเพราะครูคถามว่าได้อะไ ร, รท่านพูดคําหนึ่งว่าพ้นทุกข์ พระคูไม่ยอมปฏิบัติพราะคูก็แต่ไอ้คาว่าพ้พนทุกนี้ชอบมากครับเ<ะ>พราะมันทุกอะที่มันทุกเพราะว่ามันทุกโดยไม่มีเหตุผลเราไม่รู้ว่าเราทุกเพราะอะไรเพราะเราเบื่อเราไม่รู้ว่าเหตุผลของการเบื่อคืออะไระใช่ไหมก็อารมณ์ตัวนี้มันแบกมาตั้งนานเลยละ่ะทีนี้คืนนั้นพ่ะครูก็เลยเนี่ยลงไปกราบพระพุทธธทางประสงค์แล้วก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริง<ะ>ก็ขอให้ช่วยพ้นทุกเพราะว่าเราถูก บังคับนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้ว่าพระองค์สอนอะไระในคนเรามันเจอทางตันเนี่ยมันก็ทำอะไรบ้ า, บ า, บาได้น ะ, ะแล้วก็นั่งเป็นครั้งแรกที่พรอครูนั่งในสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทีนี้ไอ้ น, นี้ใส่ไม่ดีที่เราชอบคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังแอมันดัง<ะ>แอมันดั ง, ดงก็เอามาคิดอีกไอ้แอนี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆแพงก็แพงทาไมมันดังมากมันได้ผล มันดึงระหว่างหูกับใจที่นี้มันเกิดอาการเหมือนไอเช็คกิ้งเต้นเหมือนคนเข้าทรงเลยมันวิ่งขึ้นกันอย่างนี้คือเสียงเข้าที่หูหูแล้วมันก็มาลงที่ใจเราเห็นมันเลยชัด น, นะไอคนเขาด่าเรามันกระทบหูปุ๊บทําไมเราเจ็บใจครับนี่คือขบวนการทํางานของวิญญาณหกตอนนั้นเราไม่รู้ภาษาว่าวิญญาณหูคืออะไรอายตนะคืออะไรอะไ ร, ะ ไ, รไม่รู้ไม่รู้ภาษาพุทดแต่เราเห็นมันวิ่งมันเต้นอยู่อย่างนี้มันกระแทกก็คูนี่เต้นเหมือนคนเข้าทรง น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะอมันกระแทกเสร็จปุ๊บพอร่างกายมันผ่อนคลายปุ๊บมันพลิกมากับพังขวามันหมุนที่นี้หมุนเลยหมุนหมุนหมุนปุ๊บมก็มีเหมือนไอร้อนเนี่ยออกจากตัวเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่เราช็อตตอนนั้นเหมือนเราลอยได้คเหมือนเราลอยได้นะเพราะกรูไม่ลืมตาว่ามันลอยได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันฉุบออกมันเบามันเบามันเบาทีนี้มันก็เหมือนอะไรเครื่องฉีดน้ามาฉีดขาเนี่ชาผิวให้าๆมันล้างให้เราเนาะ จนถึงใบหน้าจนข้างบนผมนี่มันเหมือนเครื่องเจาะเ จ, จ, จทุกเส้นผมเลยเราดูตัวตลอดดูตัวตลอดแต่ตอนนั้นลึกลึกลึกลก ล, ก, กลัวเ mm. พราะมันมันเป็นครั้งแรกเลยมันเกิดอะไรขึ้นกลัวปุ๊บมันก็คิดถึงอะไรนะที่เราค้างอยู่ถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวทําอย่างไรครับ mm. นะตอนนั้นน้องทีขวบหนึ่ง mm hmm. ตอะ น, นั้นน้องดอนอยู่ในท้องแม่เขาเดือนหนึ่งยังไม่รู้ด้วย mm. นะ พอคิดปุ๊บมันกลัวปุ๊บมันมาสั่นหัวมันหมุนหัวพ่อกูเนี่หมุนหมุนจนเหมือนเรามันรู้สึกว่ามันไม่มีกระดูกมันเหมือนหมุนรอบแต่จริงๆแล้วมันน่าจะขนาดนี้แหละแต่มันแรงมากมันสลัดความกลัวทิ้งทีนี้ไอ้ความเบื่อที่มันอยู่สะสมมาตั้งเจ็ดแปดปีเนาะมันลอยขึ้นมาครับไอ้ความเบื่อนี่ชนะความกลัวมีประโยชน์มากเฮ้ยอะไรจะเป็นอะไรอยู่ไปทําไมมันมันน่าเบื่อมันระเบิดตุ่ม คล้ายๆเป็นอาการระเบิดไปทุยยัล้มลงไปแล้วก็ทางร่างกายคือสบัดทิ้งหมดเลยตุ้มมันเหมือนอะไรกระจายหมดแล้วพ่อครูก็หงายลงไปเลยนี้คําว่าสว่างสงบสะอาดไม่ใช่เรารู้สึกนะไอ้ตัวเราไม่มีตัวรู้สึกแต่เหมือนรางกายเป็นสิ่งนั้นทีนี้พรอครูลืมตาอีกทีหนึ่งตีสามพอดี <ฮะ S 1> อาการคล้ายๆระเบิดนั้นน่าจะอยู่ระหว่างตีสองกว่ากว่า <ฮะ S 1> พอลืมตาสว่างงงๆนะแตเกิดมาไม่เคยมีความสุขขนาดนั้นสุขก็คือว่าไม่มีผู้กังวล ไม่มีตัวเราทีนี้ก็เดินไปดื่มน้ำนะนี่แหละขบวนการที่ถามพ่อครูว่าไอเวอร์ชั่นต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไ ร, รแล้วก็ให้พวอครูเวียงอย่างเดียวเวียงอย่างเดียวอย่างเดียววิธีนี้พวกครูไปอินเดียไปไปจีนไปอะไรนะสามารถพูดได้ว่าเร็วที่สุดในโลกในการที่เข้าไปในจิตอแต่ทีนี้อะไรมันเร็วเกินไปไม่ได้ทางสายกลางเหมือนกันมันมีขั้วบวกมันมีขั้วลบในตัวมันครับพอเข้าไปปุ๊บ ก็ไปติดบ่วงในข้างในเข้าใจไะไปติดเป็นโน่นเต็มพี่เจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดเลยนะเพราะครูไอ้ติดพ่อครูนี่ไม่ให้ติดอะไรคือว่าพ้นทุกอย่างเดียวรรเรายิ่งใหญ่มาแล้วหลายชาติไงเราถึงได้มาเกิดทีนี้อารมณ์ยิ่งใหญ่นนมันก็ถ้าจิตปัจจุบันมีอามิตรเฮพิเศษกว่าคนอื่นมันก็ไปเกาะติด บ, บ, บอกเวียงทิ้งเวียงทิ้ยงยงมันก็ไม่ทิง้งไง หลังจากมันถึงเวลาแล้วจิตพ่อครูมันถึงอยู่เฉยๆยีปีแล้วก็สอนเงียบเงียบเราอยู่อย่างอยู่ในวงแคบๆเราเนี่ยนะี่แหละพอพ่อค ร, ร, รคูเดินทางไปอินเดียหรือจีนอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปดูข้างนอกที่เขาปฏิบัติกันเยอะๆเนละเฮ้ย hey, ไอ้ที่เราทํานี่มันมันดูในสังคมไทยเราถูกบล็อกไว้ว่ามึงต้องเงย็บเงียบแบบเนี้นะเพราะสังคมมันยังไม่เปิดไงไอ้ตัวนั้นทําให้พ่อครูไปเหมือนเหมือนเราไปดูข้างนอกเขาหลากหลายเยอะมาก มีแต่ว่าไอ้วิธีเบี่ยงเนี่ยธรรมดาไอเวอร์ชั่นตอนบ่ายเนี่ยมันเป็นหลักของเรานะเพราะครกกูใช้เพลงที่มันซอฟลงมานะถ้าเกิดพวกเราอนุญาตนะทุกทุกคนนี่แหละให้แก้วชิปหรือว่าพวกครูเรียกใครคนใดคนหนึ่งมาไปให้พลังหน่อยนี่ไปเลยนะแต่ที่นี้เราเราพวกครูไม่อนุญาตจะไปแตะต้องตัวเขาอย่างมากก็เชียร์ข้างนอกตกทําไมต้องเชียร์เหมือนเราเล่นกีฬาเนี่ย เราก็กล้ากลัว ๆ, ๆ, ๆอย่ายากัครับเฮ<ล>้ยเอาเลยมันก็เลยแค่มันฮึดสู้แค่หนึ่งวินาทีนะไอ้ด้านบวกด้านลบในตัวเรามันเริ่มมันเริ่มไม่แน่ใจพอเราเชียร์ด้านบวกหน่อยเดี๋ยมันไปเลย อ, อันนี้ประสบการณ์เราเนาะแล้วาจากประสบการณ์พ่อครูตรงนั้นต่อสาชั่วโมงนั้นมันแตกมาเป็น4ี่กิจกรรมกิจ <ừ. S 1> วัตรย่อยนี้ได้ย่างไงครับเพราะว่าเริ่มจากกิจวัตรตอนเช้าก่อนแล้วกันอันนั้นคือที่พวกครูเรียกว่าเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจกับอารมณ์ทุกอย่างเราทําทั้งทางโลก ท, งทางธรรม ทางข้างนอกหรือทางในจิกระช่างเราต้องเตรียมพร้อมเหมือนทหารเนี่ยตื่นเช้ามาปอด้วีดปีดใช่ไหมล้างหน้าล้างตาใส่ชุดยูนิฟอร์มเราเตรียมพร้อมออกศึกตอนเช้านั้นคือเตรียมพร้อมเครื่องมือในการเดินทางก็คือว่าร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์อย่างสั้นสอย่างละสั้นๆแล้วก็ไออย่างละสั้นๆและสุดท้ายแล้วมันจะลิงกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะและสุดท้ายไอซีเวอร์ชันเนี่ยเช้าสายปลายเย็นเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ตอนนั้นเราเตรียมความพร้อมก่อน นะนั้นช่วงเช้าคืออย่างสั่นตอนเช้านะครมันก็ยังไม่นานเท่าไหร่มันแค่ให้ร่างกายตื่นแค่นั้นใช่ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นเวกอัพคอเวกอัพใช่ไหมที่พ่อคูเมื่อเช้าบอกว่าสุนัขเวลามันนอนนานๆมันทับตัวเองนานๆเนี่ยมันตื่นมามันยืดมันเช็กิ้งพ่อครูเรียกว่าเช็คกิ้งและไอตัวเช็คกิ้งมันเกิดขึ้นกับพ่อครู3ามชั่วโมงมันเป็นตัวแรกเลยครับมันเช็คอาการเช็คนี่มันทําให้เราตื่นไม่พอ มันคลายไอ้ความตึงเครียดของร่างกายต่างๆให้มันผ่อนคลายเพราะชีวิตเราเนี่ยโฟกัสตลอดเราใช้ร่างกายคุมคุมตลอดใช่ไหมอันนั้นมันเกิดขึ้นกับพวกครูเองมันจิตมันทําให้ครูเห็นตรงนั้นน่ะนะนี่แหละอันนี้คือว่าเช็คกิ้งแล้วก็มาดูสัตว์ดูสุนัขเฮ้ยมันก็เป็นแบบนี้จริงๆอันนี้เรียกว่าเช็คกิ้งกตุนร่างกายใช่ใช่แล้วก็เยลลิ่งหรือสกรีมิ่งเห็นไหมสุนัขมันเห่ามันหอนเหมือนเด็กมันไม่ดีใจมันก็เฮ่มันก็ปล่อยเอาลมออกมาแล้วมันก็เล่นกันต่อครับ แต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี่ต้องชำระสิปียังไม่สายใช่ไหมเรายิ่งโตเรายิ่งโง่กว่าเด็กเห็นไหมเพราะเราติดบ่วงมารยาทประเพณีวัฒนธรรมหัวโขนเนี่ยเรากดไว้ไงแต่เด็กมันไม่กดมันปลดปล่อยแล้วมันก็ลืมมันก็เล่นกันต่อมันไม่ต้องให้อภัยด้วยนะเพราะมันมันรีลิสอารมณ์มันที่ไม่พอใจแต่ผู้ใหญ่เรากดไว้อภัยก็แค่วาจาจากข้างในมันเกิดพยาบาทมันคือแค่ระบายความเครียดหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นแต่เริ่มแรกเนี่ระบายอารมณ์หยบห แต่ถ้าคนเข้าลึกๆแล้วเนี่ยมันระบายอารมณ์ในอดีตด้วยใช่ไหมคือสิ่งที่ไม่รู้ว่ามีตกตะกอนใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่ยอมเปิดฝามันที่แรกเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะออกและไอ้ทอนที่มันออกนี่อย่างน้อยๆคือมันขับเคลื่อนลมปานครับเอาของเก่าออกแล้วขับลมปานเอาของใหม่เข้าไปนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องปานของชีวิตด้วยทีนี้อันแรกคือเช็คติ้งอันที่สองเยิร์ลิ่งสกรีมมิงเนาะตอนพ่อครูนั่งเองนี่มีเสียงออกมาด้วยป่ะครับไม่มี เห็น ไ, ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําเหมือนพ่อครูแล้วทำไมพ่อครูตั้งใจไม่สอนทุกคนทำสามชั่วโมงแบบนั้นครับเพราะว่ามันมันข้ามพ้นบ่วงจริตแล้วเนี่ยมันรู้ว่านานาจิตตังแต่องค์รวมใหญ่ของมนุษย์เนี่ยหลักใหญ่ๆมันมีอะไรบ้างครับผมเราเหลือแค่หลักแก่นตนั้เหลือแก่นท่านนัดเองทีนี้วิธีแบบไหนก็ได้ครั บ, รบแล้วพ่อครูคุยกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะคนนี้สตั๊กติดอยู่ตรงนี้คนนี้ติดอยู่ตรงนี้อครับผมันมันถึงบอกว่าพยายามสร้างโปรแกรมนี้ให้เป็นกลางๆที่สุด ซึ่งทุกจริตเนี่ยทำไ ด, ใได้ใครอยากนิ่งก็ได้ใครอยากเด็ก็ได้ใช่คือว่าในในเวอร์ชันตัวนี้บางทีคนคนหนึ่งไปอินอยู่กบแบบนี้เหมาะกับเขาเขาก็ทำแบบนั้นมากหน่อยนึับแต่ไอที่เขาไม่ชอบเขาก็ต้องข้ามพ้นไอความไม่ชอบให้ได้ไม่ใช่ว่าเอาจริตจริตเราทาเราปฏิบัติเพื่อทำลายจริตรแต่เริ่มแรกคนมีจริตที่มันติดมาแล้วนะทีนี้การเซตอัพตัวนี้มันจะหลเหมือนทางเข้าใช่ไหครับ จริตคือเป็นสิ่งที่มีติดตัวละอนุญาตให้เราเข้าไปทางไหนแต่ว่าพอเข้าไปเราก็ต้องทําลายอนุญาตให้เราเลือกเพราะว่าคนเรามันชอบขาวชอบดําคำว่าจริตเนาะมันจริตมันฝึกมาหลายชาติที่ผู้เจ้าบอกแบ่งเป็นหจริตนะโลภะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตอะไรเนี่ยนะวิตกจริตมันจริตไม่เหมือนกันแต่ทีนี้สมมุติว่าเราฝึกวิชาใดวิชาหนึ่งให้มันเหมือนกันหมดเลยมันจะอาจจะถูกกับในกอแต่ไม่ถูกกับในขออืมครับ ไอแนวนี้ขอให้ผ่านตัวแรกให้ hey, ไม่ถูกจริตชั้นชั้นชอบเงียบๆอันนี้ไม่ใช่จริตอันนี้คือกิเลสกิเลสในชาตินี้คือเราเราเราเคยเยียบๆ ม, มาแล้วก็คุ้นเคยกับมันรจริตจริงๆต้องเข้าไปในจิตเดิมเราอืเขาสะสมมาหลายชาติครับ ม, มีโอเคมีเช็คกิ้งแล้วเยิริ่งแล้ว อ, อันต่อไปดนซิง <Dancing. S 1> ครับผมดันซิงทำไมดนซิงอันนี้ปล่อยหัวโขนนะปล่อยอัตตาตัวตนรเรื่องมารยาทเรื่องบุคลิกภาพเห็นไหม ถ้าถ้าเรายังติดตัว น, นั้นอยู่เราลัมไม่ออกทุกคนลัมอย่างนี้เนี่ยเออถูกบังคับให้ลัมมันกัดฟื้นๆแต่หลายคนพอมันเปิดตัวนี้แล้วเขาลัมแบบเขาจะเข้าเขาจะเข้าถึงความอิสระภาพอืันนี้นี่คือเป็นถ้าในทางศาสนาเรียกว่าอุบายในทางโลกเรียกว่าเทคนิคคือให้ลืมอายลืมไปว่ามี ใ, ใครอยู่ลืมว่าเราเป็นใครอตอนเราลัมมันอายนี่เราวิปัสสนาเกิดแล้วไงเราเห็นว่าเราอายนั่นคือกิเลสทุกวันนี้เราทุกข์เพราะ พรเรื่องเรื่องไร้สาระพวกนี้เรื่องอายเรื่องกลัวเขาจะว่าเรื่องอะไรอนีรยาทต่างชูถ้ า, าแรกๆทุกคนจะล่ำเกินๆลําแบบเกินๆคลาง ๆ, ๆ, ๆใช่ไห ม, หมทีนี้พอเราคลายตรงนี้แล้วเนี่ยนะผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายผ่อนคลาย <diyorsun S 2> <ม>อารมณ์แล้วแล้ววางหัวโขนไอตัวล้ำนี่วางหัวโขนแล้วทีนี้เรามานั่งสปินนิ่งแล้วมันต่างกับการไปเที่ยวผับแล้วก็เต้นไปตามเพลงยังไงครับเพราะอันนั้นเราถือเป็นอวัยมุกใช่มใช่ใช่เสียงเหมือนกันเพลงเหมือนกันแต่เจตนาไม่เหมือนกันครับ ที่อยู่เยาวชนใหม่รุ่นเนี่ยเขาไปเที่ยวเทคนะเขาก็เบื่อเขาไปสร้างอารมณ์สนุกสนานสร้างอารมณ์ใหม่สร้างอุปทานใหม่มาครอบงําอุปทานเก่าแล้วก็สังเกตดูมไหมพอเขาสนุกเขาขาดสติปุ๊บนี่ชนกันบุคขัดีกันฆ่ากันนะแต่อันนี้เสียงเหมือนกันเพลงเหมือนกันแต่เต้นด้วยสติด้วยสมาธิเอาอารมณ์ออกแล้วเอาอุปทานทิ้งเอาอุปทานทิ้งนะอุปทานอันดับแรกก็คือความอาย เห็นไหมแต่เยาวชนเนี่ยเขาเอาความสุกสนานเห็นไหมบางทีเขาต้องพึ่งเล่าเพราะมันหน้าหน้าด้านไม่พออเล่าไม่พอแล้วพึ่งยาเสพติดครับเห็นไหมเขาสร้างอุปทานใหม่เขาบอว่านั่นคือความสุขของเขาความสุขของเขาเกิดขึ้นจากการสร้างอุปทานใหม่กบเกินอุปทานเก่าเท่านั้นเองอแต่อันนี้ใช้สติใช้สมาธิเราฟังเพลงนี้ถ้าในแง่ปฏิบัตรริทมผิดศีลนะรเราฟังเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นี่คือเอตนาภายนอก ใ ห, ให้ปฏิบัติต่อเพลงเป็นแค่เสียงเฉยเฉเป็นแค่เสียงแล้วสังเกตเพราะกูจะเลือกเนื่องจากเราเป็นคนไทยจะเพล ง, ง, <c oughs> งเพลงอินเดียเพลงเจ้าแม่กดยิิมอะไรก็ช่างคือเราเพลงที่เราฟังไม่รู้เรื่องครับเพื่อไม่ให้เราติดไปเนื้อหาสาระมันนะมะ ไ, ไ, ไม่ก็ตั้งเพลงมอลลอมซิงก็ไม่มีเนื้อเพลงเป็นแค่จังหวะมันเฉยเฉยเราอาศัยจังหวะของเสียงเนี่ยมันกระทบภาษาที่หูมันก็เกิดการกระทบภาษาขึ้นไม่ต่างอะไรที่เราไปพิจารณาภาษาครับแต่เสียงนี่พอกูเลือกเสียงเพราะอะไรเพราะว่า มันเร่งสติได้มันเร็วใช่ไหมมันเร็วอย่างอิมแพกที่เราเฟี้ยงฟุตบอลเนี่เข้าข้างฝาเราเฟี่ยงแรงนี่ก็อิมแพกมาแรงใช่ไหมโดยธรรมชาติของมันครับเราเฟี่ยงเร็วเนี่ยมันก็เร็วครับผมไอ้ใจนี่มันดึงจิตไว้เราก็ใช้อุบายว่ามันกระทบหูแรงปุ๊บหัวใจก็เต้นแรงมันก็มันจะดึงจิตกลับมาคืนมันหวงจิตเรามากเมื่อเราเร็วมันก็ดึงเร็วมันดึงระหว่างหูกับใจดึงไปดึงมาเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนลูกข่างครับเราหมุน2นิ้วมันจะต้องหมุน เพราะมันหมุนใช่ไหมมันหมุนแล้วทาไมมันนิ่งมันไม่ได้ฝึกสมาธินะครับแรงเหวี่ยงนั้นทําลายสนามแม่เหล็งอย่างเฮลิคอปเตอร์นั่นเราหมุนสตาร์ทใหม่ๆ ม, มันห่อไม่ได้ใช่ไหมคุณสิงเมื่อเราเร่งสปีดแล้วปุ๊บทาไมมันยกไอ้ก้อนเหล็กคนนี้เป็นพันกิโลขึ้นไปได้เกิดลมแรงเหวี่ยงมันตัดแรงดึงดูดของโลกหลัจากเอยของขอ ง, ของแรงดึงดูดของโลกครับ แรงเหวี่ยงของจิตเมื่อเราสร้างแรงเหวี่ยงนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อความเร็วของมันมากกว่าความคิดกับอารมณ์อยากที่ใจแล้วเนี่ยมันจะอิสระเข้าไปสู่จิตในจิตคือจะตัดอะไรดึงดูดที่ความคิด่มีต่อจิตได้ใ ช, ใช่ฮะอายตนะทั้งหมดตาหูจมูกดินไก่แล้วก็ใจเนี่ยมันดึงจิตเราไว้นะตอนนี้เราเห็นอุ้ยสวยๆเห็นไหมเราถูกความสวยดึงแล้วเฮ้ยอร่อยอร่อยไอ้เะเพราะ จิตเราเป็นธาตุของอยายตนะมันมีอะไรก็ดึงจิตเราไปตรงนั้นดึงไมหมดจิตไม่มีแข็งแรงที่นี่ผู้เจ้าไปตัดสรู้เรื่องอาณาปนานสติทุกวันนี้สอนกันเมืองไทยเราเนี่ยเอาตัวนี้เป็นหลักมันมันมันมันไม่ได้ผิดมันถูกแล้วแต่เราไม่เข้าใจมันรอบเอาล่ะลมหายใจเข้าเราตั้งชื่อพุทธลมหายใจออกตั้งชื่ อ, อโธไม่ได้ผิดเราตั้งชื่อพุทธโธทำสามมา阿拉หังก็แล้วแต่มันเป็นแค่ชื่อสมมุติแต่ทําทําไมลมหายใจนี่คืออากาศ เราเอาอากาศนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดตัวเราที่สุดมันไม่ใช่กายเลยนะมันกายนอกกายสองนอกกายแต่มันมีความสัมพันธ์กับร่างกายเราครับเราต้องพัฒนาอาณากายเป็นปานะขึ้นมาเป็นปานพลังงานทุกอย่างต้องหมุนอือย่างคนจริงเขาฝึกไทแก๊กฝึกชีก้กองหนก็คือฝึกลมปานให้มันหมุนคือสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแค่ที่นี่เร่งสปีดทุกอย่างเร่งไปเลยมีเสียงเป็นตั ว, วเร่งปฏิกิริยาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าเฮ้ยก้าวกระโดดไม่ได้นะ มันมันมันมันมันมันมันขัดหลักการนะถูกแล้วเราไม่ได้ก้าวแต่เราเร่งสปีดทาไมต้องเร่งเร็วๆนี้พรากูพราะูไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีหรอแก้วที่เขาก็รายงานปีที่แล้วก็จีสองจายังทะเลาะยังไม่เสร็จเขาจีสีแล้วโลกมันไปเร็วโลกมันเร็วไงแล้วมัวต้มเติมเตี้มเตียมไปรักษาไอ้อนุรักษ์ที่เราเคยชินมันตามกิเลสไม่ทันไม่ทันแต่พระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากทำไมพระคูถวายชีวิต มีใครจะรู้มากขนาดนี้คุณเป็นรู้ได้ยังไงพระ<ช>งวายาเพิ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมา<ช><ช>เป็นไปตามเหตุปัจจัยเห็นไหมอนุรักษ์เทคนิคอุบายวิธี น, นั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนเลยที่ที่โลกมันเปลี่ยนไงที่ว่ า, าศาสนาไม่ได้ช่วยโลกเลยครับนี่คือพวกคูเห็นเหล่านี้ไง<ช>พระคูถึงเร่งสปีดของเราเหมือนกันต้องเปลี่ยนไปให้ทันโลกต้องเร่งสติหมุนกองล้อของธรรมะจักรนี่คือเร่งสติธรรมะจักคือเราเห็นธรรมด้วยธรรมะจักสูคือจักสูตภายใน จิตอืมโอเคถึงแดนซิ่งแล้วต่อไปนั่งลงไปแล้วหมุนสปิน n ิ่งนั่นก็คือเหมือนกับที่พ่อครูได้ทำใช่ไอ้ตัวนี้ธรรมดาเป็นเมนไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดินทางของจิตเหรแต่ตอนเช้าเป็นอินโทรเฉยอินโทรครับนั่งหมุนนี่ก็คือว่าโอเคเมื่อเราเตรียมร่างกายจิตใจแล้วก็เตรียมเตรียมบางหัวโขนแล้วนี่นทีนี้เราจะเตรียมกายกับจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอืมครับนะตอนนี้ดึงมันมาแล้วนะอันนี้คือเครื่องมือเดินทางที่สําคัญมากก็ไปตรงกับที่ สติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้สถานสติปฐานสี่ในบ้านเราเนี่ยเราแยกส่วนแยกอยู่ที่ฐานกายแล้วก็ไปเพ่งเวทนาไปนั่งทรมานสังขารให้มันเกิดเวทนาเห็นไหมแล้วก็ไปนั่งดูจิตสูตรนีร้พ่อครูมาดูทีหลังเนี่ยหลังจากผ่านไป20ปีหลังจากเราออกไปข้างนอกอถ้าพ่อครูไม่เซตอัพเวอร์ชันใหม่เนี่ยออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะวิธีเวียงนี่มันหลุดโลกเลยล่ะ แต่ถ้าคุณไม่ยอมปล่อยโลกไม่วางโลกคุณจะดูดพ้นได้ยังไงแต่ทีนี้เราเราดึงๆให้มันซอฟลงมาให้มันเข้ากับพอรับได้ให้มันมีคําตอบในตัวมันครับผมเพราะพวกคูอยู่กับไอตัวเวียงนี่มา20ปีครับมันได้ผลเร็วแต่ว่ามันไม่ถ้าว่ามันเป็นไม่เป็นสากลที่ว่าเขาเขาจะยอมรับเราได้ถ้าไมมันถึงต่างจากการนั่งสมาธิปกติครับคือโอเคเราขึ้นไปรําแล้วเราเริ่มหลุดจากหลุดจากหัวโขนหลุดจากจิตมาแล้วนะฮะเออ แล้วพอมานั่งตรงนี้มันเหมือนมิกซ์ทุกอย่างเขาด้วยกันเลยครับผสมปนเปผสมกายเวทนาเตดอนอาณาปณะสติสูตรเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครับอาณาปณะสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปฐานทั้ง4กายเวทนาให้รวมให้เป็นหนึ่งเดียวครับสติปฐานทั้งสีอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาชอช่างสองตัวหรือตัวปัญญาเนี่ยมันตื่นขึ้นแล้วก็วิมุตติให้มันสมบูรณ์สั้นๆครับมาอยู่ในนี้หมด ทีนี้เราต้องบูรณาการให้กายเวทนาจิตทํามันรวมเป็นหนึ่งเดียวไอ้ตัวหมุนเนี่ยพยายามจะทําให้มันคุ้นเคยอย่าแยกกายไม่มีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นคนที่ปฏิบัติต้องรู้พวกนี้ไหมครับในนะคนที่ปฏิบัติต้องรู้หลักการผมไม่ต้องไปรู้วิชาการที่พวกครูเป่งเมื่อกี้เนี่ยแต่บางเอิญว่าถ้านักวิชาการสมมติว่าเออเรากำลังไป็รูปศาสนาเรามาคุยกันมันขัดแย้งกับข้อไหน แล้วก็อธิบายได้แต่ผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการค้นทุกจริงๆไม่ต้องรู้ภาษาเหล่านี้ก็ได้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พราะครูไม่รู้อะไรเลยสมชั่วโมงนั้นเนี่ใช่ไหมล่ะคือคือคือแต่เบสิกเนี่ยเราทำอะไรเราต้องรู้ว่าน่าลองไหมถ้าสมมติว่ามีคนตอนเทวามาใหม่ๆฝรั่งเขาบอกว่าไม่ลองไม่รู้แต่บางอย่างนี่คุณลองแค่ครั้งเดียวคุณก็ตายนะเพราะครูจะพาเทวามาหน้าผาโดลงไปดูซี่ติงก็ตาย ทีนี้ก่อนที่เราจะลองเนี่เราเราต้องใช้สํานึกเราให้ไม่ใช่ว่าพ่อครูใช้อุบายว่าคุณสิงห์ต้องมารับขันนนนเนี่ยนะตรงในนี้มันไม่มีอะไรเลยไงแล้วก็ทําด้วยตัวเราเองทั้งหมดเนี่ยครับใช่ไหมล่ะให้ลองเดินเองก็แล้เราเดินเองแล้วก็ลองเองเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเนี่ยาไมเราจะกลัวอะไรใช่ไหมใช่ไหมเราเราใช้แค่สามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยแล้วก็ลองเมื่อลองแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันหมุนได้เองเนี่ยวะแล้วทําไมตลอดชีวิตเราไม่รู้ว่าพลังงานเรามีอย่างหนึ่งในตัวเราอ แล้วไม่ต้องไปฝึกไอ้ชี้กงแบบเขานี่หลายปีกว่ามันจะเกิดลมปานนะอันนี้เร็วกว่าอันนี้เร็วเลยมีรอไม่มีรูปแบบใ ด, บบดทั้งนั้นแต่เราไปเห็นไอ้ขบวนการแรงดึงระหว่างสองส่วนครับข้างนอกเอาเป็นว่าภาษาที่บอกว่าทางศาสนาว่าอยายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อันนี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทีนี้อยายตนะภายในยเราคืออยู่ในตัวเราคือตาหูจมูกดินกายใจ แต่ไอตัวนี้มันก็แบ่งเป็นสองส่วนข้างนอก5้าคือตาหูจมูกดินกายข้างในคือใจทุกอย่างลงใจหมดคุณวันณสิงห์ได้ยินเสียงเพลงปุ๊บมันก็ดีใจเสียใจชอบใจคือวิญญาณหกมันเป็นตัวลิงก์ระหว่างข้างนอกกับข้างในเขาตีเรามันมาเจ็บที่ใจเห็นไเพราะครูสามชั่วโมงเพราะคูเห็นกระบวนการทางานแต่เพราะคูไม่รู้ภาษาแต่ 5ปีที่เราออกไปเราถูกยิงคําถามแบบวิชาการภาษาครับเมื่อเราจะไปให้เขาเราจะไปนิเซตไม่ได้อย่าถามนะถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีคําตอบที่พอรับได้เขาก็ไม่ยอมปฏิบัติไงเพราะครูก็เปิดเปิดไม่สงสัยเลยเลยผู้เจ้ายิ่งเปิดยิ่งเห็นผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากสิ่งที่พ่อครูรับรู้มาแล้วใช่เรารู้แล้วเราก็มาดูภาษาสมมติเฉยๆครับผมแล้วสุดท้ายของตอนเช้าคือที่ลงไปนอนนอนครับผมอันนี้ว่า Dy ยิงก็คือว่าเราฝึกเรากําลังตาย ทำไมต้องฝึกตรงนี้ชีวิตเราจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าทุกเราเตือนสติตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแล้วชีวิตเรานี่จะไม่มีเหตุผลทำให้ตัวเองทุกทำอะไรเราไม่ต้องซสีเรียดเกินไปจนเป็นหลงมานะไอ้ตัวนี้เป็นการเตือนสติทุกคนต้องฝึกตร ง, นน เ, รตงเตือนตัวเอกว่ารรเราพร้อมจะตายไห ม, มใช่ไหมฮะ ซึ่งนี่เหมือนกับที่พ่อครูรู้สึกตอน3ชั่วโมงนั้นคือรู้สึกเป็นห่วงครอบครัวมากมายแล้วก็พยายามเบี่ยงทิ้งแล้วมันพิสูจน์ยัยงไงคุณนัสิงห์เวลาคนคตายเห็นตายมี2 อ, อย่างตายแบบทุรนทุไลนะแล้วก็วางไม่ลงเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยตัวก็เน่าเหม็นถ้าไอ้ตายมันต้องดีไซน์ขึ้นนะแต่ถ้าบางคนฝึกจิตแล้วเนี่ยนอนกี่ปีเนี่ยไม่หยาบเผูก็ไม่ไม่เน่าอย่างครูบาอาจารย์เราที่อุบลเราก็มีหลวงพ่อคำคนหนึงเนี่ย อะไรที่มันตายมันต้องเน่าอะไรที่มันไม่ตายคือมันไม่เน่าครับแต่ว่าไอ้คำว่าชีวิตเนี่ยหัวใจไม่เต้นแล้วแต่เซลล์นั้นยังไม่ตายมีกายวิญญาณอยู่แม้กระทั่งถ้าเราถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยกระดูกเราก็มีชีวิตกลายเป็นพระธาตุขยายผลได้ครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นอะไรพยายามมากว่านซื้อเข้าวิจัยเขาก็ยังงงอยู่ครับมันเปลี่ยนนะนั่นะคือว่ามันอยู่ที่วินาทีนั้นเราตายแบบเราวางได้ครับนะ มันจะเป็นมันมันจะหลังสารอีกแบบหนึง่งถ้าตายแบบทุรนทุรายจะหลังสารอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าตายแบบพร้อมจะตายแล้วใช่อย่างอย่างถ้าเป็นผสามหายานสายทิเบตเนี่ยเขามีบางลทัทธินี่ยเขาเลือกถ้าตายได้เอาแบบนั่งเอาแบบ อ, อ, อ, อยู่นิ่งๆเลยเแบบได้เนี่ยอันนั้นคือเขาใช้วิธีหนีเข้าไปในฌานของจิตครับนะอันนั้นเขาปลอดภัยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าเขาจะไปนิพพานอะไรแต่ว่าถ้าเขาตายแบบนั้นได้เนี่ย เขาข้ามพ้นอี ก, อกขั้นหนึ่งเพราะว่าเขาละสังขารคือวางาวางไอ้ไอดินด้ำลมไฟมเขาอยู่กับอากาศธาตุมาถึงกิจกรรมตอนสายเพราะเมื่อตอนเช้าเมื่อนี้รู้สึกขยับเยอะเลยมาตอนสายนี่นิ่งสงบมากทำไมถึงตรงกันข้ามขนาดนี้ครับผมเราก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนเช้าก็เปลี่ยนแปลงห้าอารมณ์ใช่ไหมต้องการฝึกให้จิตเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงและทุกๆ ก, การเปลี่ยนแปลงต้องรู้เท่าทันมัน นะไม่ใช่ไปอยู่ท่าเดียวนานๆเหมือนอุ้ยเราสงบเพราะเราชำนาญแล้วไง<ม>แต่พอไปชื่อท่าใหม่นี่เราเออกไปข้างนอกวีนหมดเลยเห็นไหมอ๋อซึ่งหลายๆสํานักก็คือให้อยู่ท่าเดียวใค<ช>่อยู่ท่าเดียวก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสง บ, บไงแต่ชีวิตเราออกข้างนอกมันไม่เงียบไงครับมันไม่สงบคือคําว่าสงบคือสงบนิ่งไม่ได้แปลว่าสงบเงียบครับสงบเงียบเป็นสภาวธรสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่งนิ่งนิ่งไม่ได้อยู่เฉยเเหมือนตอไม้นิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวพอช่วงสายนี่พ่อครูเรียกว่า เราเตรียมเครื่องมือเดินทางก็คือสติขัสมาธย์คือใช้มันคือว่าตอนเชาน้าเราปลุกมันตื่นครับตอนนี้เราเตรียมมั น, ไ ห, นไหมเมื่อเราเตรียมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต่อไปตอนตอนด น, นบ่ายตอนนั้นอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นคือช่วงขึ้นเวทีละแต่ตอนนี้เคร่องเคื่องเ่องเตรียมความพร้อมทั้งเช้ากระสายนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือเดินทางเพื่อให้จิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงและความความแตกต่างยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกเรื่ยบท เห็นไหมก็อันนั้นคือเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมเครื่องมือคือตัวสติตัวสมาธิตอนสายนี่เตรียมสติเตรียมสมาธิซึ่งช่วงบ่ายไอเรี่อบทเหล่านี้แล้วก็การเตรียมตัวเหล่านี้แหละจะไปใช้จะไปสนามจริงใช่ครับผมเหมือนเหมือนเราเป็นนักมวยตอนนั้นเราก็ซ้อมชกกระสอบทีนี้กระสอบมันชกเราคืนไม่ได้ครับเห็นไหมอยังยังช่วงสายนี่เรากําหนดท่ายืนเรากําหนดกําหนดท่าเดิน ท่านั่งท่านอนเห็นไหมอันนี้คือเราชกกระสอบยังรู้ตัวอยู่ยังรู้ตัวอยู่ใช่ยังควบคุมอยู่แต่พอเราขึ้นเวทีแล้วนี่คู่ชกมันไม่บอกเราว่าระวังน่าจะชกขวาแล้วครับ <c oughs> พอเราเข้าไปในจิตตอนบ่ายนี่นะอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันขุดขึ้นมาเลย <c oughs> เราต้องใช้เครื่องมือเรามีทั้งหมดนะรู้เท่าทันมันครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงสายนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ารู้สึกสงบแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช่วงสายนี่จริงๆแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีผลมากเลยถ้าเราทําได้ พราะครู ใ, <ช>ให้ความสําคัญช่วงสายนี้นะ ค, คือว่ามันจะได้เห็นว่าเราอยู่กับตัวเองดูว่าเรามีอารมณ์อะไรบ้างครับผมแล้วก็ตอนตอนบ่ายที่เรามีเครื่องมือแล้วเราจะมีเครื่องมือสะสางอารมณ์นั้นคือจะมองแยกส่วนเป็นส่วนๆไม่ได้คือทั้งทั้งสก้อนเป็นทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันรวมกันหมดแต่ว่าถ้ามองแต่ละแยกก็กจะมีหน้าที่ของมันอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันไม่จะไม่มีประโยชน์ด้วยตัวมันเองถ้าไม่มีอันถัดไปถูกแล้วนี่คือโฮลิสติกธรรมชาติมันต้องโฮลิสติกไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าการศึกษาทุกวันนี้วิชาการแยกส่วนครับจําแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนครับฉันเป็นโน่นเป็นนี่นะแต่ในทางธรรมะนี่จําแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างครับผมมันมันออปเปอร์กับตรงนั้นครับดีที่สุดก็คือว่าปฏิบัติอย่าไปคิดเลยมากอย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ไปที่ไหนก็บอกต้องมีอุบายให้รับขัน น, น, นุ่นฮะนี่นี่อันนั้นอันนั้นก็ต้องพิจารณาครับอันนี้มันตัวเราเองทั้งหมดเลยครับผมใช่ไหมยังยังที่นี่เราหกเจ็ดคนนี่เราทํางานร่วมกันได้นะไปอุณนทรสิงห์เดี๋ยวเราไปออกกําลังกายด้วยกันโดยเราจ็อกกิ้งไม่ต้องฝึกนะไม่ต้องเดียนก็คือจ็อกส่วนใครจะจ็อกกิ้งเร็วช้านี่แล้วแต่กําลังตัวเองอนี่นี่คือการกีฬาเป็นยาวิเศษแต่ตอนนี้มันเป็นยาพิษไงครับมัน สมัยก่อนเาบอกเล่นกีฬาเล่นเล่นเล่นมันเป็นนันทนาการอย่าซีเรียสตอนนี้เนี่ยเราแข่งกีฬาครับก็ต้องฝึกไงครับก็ต้องเครียดหมดเพราะต้องการชนะออันนี้เหมือนกันจิตนี่เราไม่ได้แข่งกับใค ร, ครเพราะกรูบอกไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกก็คือว่า just do it ก็คือว่าทําเลยครับส่วนทําได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเรียนรู้กับสิ่งที่เราทําเองอทําผิดพลาดนั่นคือประสบการณ์ไงแต่อย่างน้นอยมันต้องอยู่ในกรอบที่เราไม่อันตรายไม่ใช่เราไปเอาพลังอย่างอื่นเหมือนพวกเข้าทรงทรงเจ้านั้นอย่าไปเล่นเพราะว่า มันเป็นอวิชาอันนี้นเป็นเรื่องจิตเราล้นๆเรารู้ตัวตลอดอืครับแต่ไอ้ขั้นรู้ตัวมันเป็น2 ส, ส่วนหนึ่งรู้จากกายแต่ละเข้าไปในจิตปุ๊บมันรู้จากจิตแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นเราต้องกล้าหารัรบเพราะกิเลสเรานี่มันคุ้นเคยกับว่าเราคว่ควบคุมถ้าอะไรเราไม่ควบคุมไม่ได้เรากลัว ม, มากสุดท้ายแล้วมันคือการปล่อยการควบคุมทั้งปวงใช่ครับซึ่งทั้งความอายความกลัวความขี้เกียจความเหนื่อยทุกอย่าง<ม>คือการ<ม><ม>ควบคุมของเราหมดถูกแล้ว ถูกแล้วนั่นคือกิเลสครับก็การข้ามพ้นกิเลสก็คือว่าเราต้องสร้างพลังที่แรงกว่ามันครับซึ่งในที่นี้ก็คือการเวียงเวียงให้ทั้งเวียงทั้งเต้นทั้งลำอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ลำนี้ก็ฝืนกิเลสนะเพราะกิเลสมันอายไงครับวิธีนี้มันทําให้เราเห็นกิเลสเราชัดครับเห็นไหมเมื่อเราเห็นมันเราเราก็ไม่ถูกมันดึงไปแล้วก็ทําหน้าที่เราเห็นไหมมันก็เป็นแค่เทคนิคแต่เป็นเทคนิคซึ่งอิสระมากเพราะครูไม่ได้ไปก้าวล่วงการกําหนดว่า ถ้าละเอียดอะไรพวกนี้นะทุกคนต้องหาเทคนิคที่มันเหมาะกับตัวเราก็เห็นบางคนก็เดินวนบางคนก็อยู่กับที่ใช่ครับเราแสวงหาความอิสระทําไมเราต้องบังคับตัวเองไม่ให้ไม่อิสระเพื่อไปหาสู่ความอิสระก็อิสระตั้งแต่ต้นเลยเพราะงั้ต้องมาคิดอีกทําถูกทําผิดหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วครับ